พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่สองอายตนะหกสมเด็จพระพุท ธ, ธโคสาจารย์ปออประยุตโตอยายตนะหรือทางรับรู้มีหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนื้อหาภายในประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ตัวสภาวะอยายตนะคืออะไรประกอบและสัมพันธ์กับอะไรบ้างประเภทของความรู้จำแนกโดยสภาวะ โดยทางรับรู้เป็นต้นความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้สัจจะสองระดับวิปัสสาสามพุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะคุณค่าทางจริยธรรมการรู้เข้าใจและปฏิบัติต่อเรื่องอายตนะให้เกิดประโยชน์และบันทึกพิเศษเรื่องปัญญาสามจัดทำโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัรครอบครัวเอี่ยมวงสีจูวิตสีโพคา ดาวุฒจันสิริเจ้าภาพรองครอบครัวบุบลิสเรืองศรีรักใครสุเทพสิริอันนันและมลรีวันแสงโสร ส, สุขร่วมจัดทําโดยชาติจินวรานิธิวุธิเดชวิาพาภัฒนิโนชัยอุไรศรีเมืองรักชนนจนิดพนมรักเพชรสถียรครอบครัวยองเอ็นฤท ธ, ธีโตดวงพนินทร์อัศวะสิริวิลาศร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากเครดิตท้ายเรื่อง